ทุกคนในชื่อนี้นะก็รู้แล้วจะเป็นผู้ที่จากบ้านมาบางคนก็จากมางานหลายปีแล้วแต่หลายคนก็เพิ่งจากมาหลายคนในชื่อนี้นะก็เพิ่งจากมานะเมื่อเช้ายิ่งเองอาจจะยังมีความอาลัยนะมีความห่วงกังวลคนที่บ้าน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 วันดีคืนดีอาจจะหลังคารั่วดินซุดนะอย่างที่มีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนบ้านนี้ทั้งแถบเลยนะซุดลงมาเลยรนทั้งอยู่ไม่ได้ต้องไปห า, าบ้านอื่นอยู่เพราะกลัวว่ามันจะซุดหนักกว่านี้บ้านที่เราจากมา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 ไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่นะของความรู้สึกตัวาการที่เราจะมาปฏิบัติกันที่นี่นะไม่ว่าผู้เก่าหรือผู้ใหม่ mm. ก็เพื่อให้เราได้มีบ้านชนิดนี้นะ mm. อยู่ในหัวใจเราแต่เรียกว่าเป็นบ้านของใจก็ได้ให้บ้านของกายเนี่ยั น, นก็ต้องอาศัยอาคารอาศัยกุฏิที่คอยกันแดกันฝน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 ทำความสึกตัวนะเวลายืนเดินนั่งหลับตื่นนิ่งพูดพูดงาคือว่าไม่ว่าทำอะไรก็ให้เรามีความสึกตัวอันนี้เป็นคาสอนที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินอาจจะยดได้ยินว่าผู้เจ้าสอนว่าไม่ทำบาต ท, ทั้งปวงทำกุศลใหถึงพร้อมนะ ชัมรัติของตัวให้ขราวรอบเนะี่ยอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในโอวาสปาติโมกหรือว่าแนะนำให้เราบําเพ็ญบุญกิริยาคือทานศีลภาวนาแล้วความรู้สึกตัวอยู่ตรงไหนนะไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยอยุดมันเป็นพื้นฐานนะเราจะระชั่วหรือว่าไม่ทําบาปเนี่ยได้เนี่ยก็เพราะเรามีความรู้สึกตัวถ้าเราหลงเมื่อไหร่ จะลงด้วยอํานาจของโลภะโทสะหรือโมหะเมื่อหลงนะด้วยอํานาจของกิเลสเหล่านี้เนี่ยนะศีงกี่ข้อกี่ข้อก็ทําผิดหมดหรือว่าผิดศีแล้วเมื่อสีหมดคนเราผิดสีลได้ทําช่วยแต่กระเพาะาเราลืมตัวไม่มีความรู้สึกตัวปล่อยให้กิเลสปล่อยให้โลภะโทสะโมหะครอบงําศีงข้อที่ห้าเนี่ย เพียงแค่เรากินเหล้าเนาเมายหรือถึงไม่เมาไมายก็ตามเนี่ยไอ้สุราก็ทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยบกพร่องไปพอรู้สึกตัวบกพร่องไปแล้วก็ทำอะไรไทั้งนั้นทำร้ายผู้คนฆ่าสัตว์หรือแม้แต่ทำร้ายผู้มีพระคุณบุป ก, ปการีนะและว้วขโมยนะข่มขืนทำราว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 แต่ว่าทำด้วยจิต ท, ที่เป็นอกุศล น, นะด้วยกิเลสมากกว่าจะไปทำบุญกับหลวงพ่อเนะเห็นคนเยอะแยะเข้าคิวกันยืดยาวเกิดความหงุดหงิดเกิด ค, ความโมโหยื้อยุดกันนะอยากจะแซงคิวไปให้หลวงพ่อคูณเคาะหัวนะไปให้หลวงตาพรมน้ามนนะเกิดการยื้อแย่งกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้บุญแล้วนะเพราะว่า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 มีผู้ชายคนหนึ่งนะเข้าพรรษาเนี่ยแกก็ตั้งใจอดเล่าตามสโลแกนอดเล่าเข้าพรรษาแต่กแกก็ทาด้วยความทุกข์มากนะใช้การกดข่มก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะว่าเมื่อไร่มันจอะพรรษาสักทีพออะไรพอออรมาซาแล้วเนี่ยนะก็จะดวดเล่านะให้เต็มที่เลยแล้วพอออกมาซาปุ๊บนี่แกก็ตรงไปที่ร้านเล่าเลยเนะ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 แสดงว่าไอ้ที่อดเล่าเข้าพันษามาเนี่ยนะพยายามถือศีลข้อห้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยหรือมีประโยชน์น้อยมากเพราะว่าไอ้ที่ทําเนี่ยมันรักษาศีลข้อเนี่ยไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกจิตใ จ, ใจเบิกบานเสร็จแล้วก็มันก็ไปเรียกว่าทะลักษ์ทลายนยกินเหล้าจนเมา เสร็จแล้วก็ตายเพราะว่าจะพยายามทำร้ายเมียเมียก็ไม่รู้ทำยังไงต้องเอาตัวรอดงั้นถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยการรักษาศีลของเราเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์น้อยบางทีแทนที่ได้บุญก็ได้บาปพอไปอวดนะกดข่มหรือว่าไปายกตนข่มท่านว่าฉันถือศีลมากกว่าอันนี้ก็แสดงว่าปล่อยให้เกียดครอบงำ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 นะพอมียานเกิดขึ้นในการาบําเพ็ญฌานหรือว่าในการทํำวิปัสสนาเกิดได้เกิดมีความรู้ขึ้นมาก็ไปหลงเอาว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งลืมตัวเลยนะเมาความรู้เนี่ยเมายานนี่มันก็มีนะยานเนี่ยคือยานที่คิดว่าตัดสรู้แล้วมีภาพรูปหนึ่งเนี่ย ไปหาหลวงพ่อชาผมเนี่ยผมบรรลุแล้วนะผมบรรลุแล้วหลวงพ่อชาฟังแล้วก็พูดเบาๆว่าเออดีกว่าหมานิดหน่อยพอพูดเท่านี้แหละนะอึ้งเลยนะพอบอกว่าดีกว่าหมานิดหน่อยเนี่ยนะได้สติเลยนะแต่ก่อนที่ได้สติมันมีความเสียใจยมีความผิดหวังแนะทนที่หลวงพ่อนี่จะชมเราเรพูดว่าดีกว่าหมานิดหน่อย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 นะอยู่อยู่ถิ่นของตัวที่ปลอดภัยในใสาผู้จา้าเคยจัดนะเปรียบเล่าถึงนกชนิดหนึ่งนะชื่อนกมูลไถมูลก็คือมูลดินนะเนี่ยนกมูลไทยเนี่ยถูกเดี่ยวมันคว้าได้ค่ะที่ลอยอยู่กาอากาศนกมูลไถก็ลำพึงว่าเนี่ยเป็นเพราะเราไปหากินผิดถิ่นะเป็นเพราะเราไปอยู่นอกถิ่นของเรา ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่ในถิ่ของเราเนี่ยไม่มีทางเหยื่จับได้หรอกเยอมก็ได้ยินมันก็สงสัยว่าเนี่ยถิ่นของเจ้าคืออะไรนกมูลไทก็บอกว่าถิ่นของเราก็คือถิ่นของพ่อแล้วถิ่นของพ่อคืออะไรก็บอกว่ามูลไทยลอยไถยลอยไถยนั่นแหละคือถิ่นของเราเดี๋ยวเนี่ยนะมันมันภูมิใจมัน มั่นใจในความสามารถของตัวก็คิดว่าเจ้านกมูลไทยเนี่ยแม้เจ้าอยู่ในถิ่งของเจ้าก็เจ้าก็ต้องเสร็จเราอยู่นั่นแหละเราจะทําให้เจ้าดูนะก็เลยปล่อยนกมูลไถยมาไว้นะตรงมูลดินที่เป็นรอยไถยนะในนาอันนี้นกมูลไถยพออยู่นั้นเนี่ยก็ท้าทายเหยี่ยวเลยเข้ามาเลยมาเลยนะเราอยู่ในถิ่งของเราแล้วเจ้ามาเลยเหยื่อมันกะ็ถูกท้านี่ก็ยิ่งนะ เกิดความลำพองใจก็พุ่งเลยมาพุ่งลงมาเลยนะด้วยความเร็วสูงนะพอเป็นมาถึงเนี่ยนกมูลไถ่ก็หลบนะหลบเข้าไปในในอยไถ่เดี๋ยวเนี่ยมันโฉบลงมาเนี่ยด้วยความเร็วมันเบรกไม่ทันนะมันก็กระแทกดินตายกระแทกดินตายเลยนี่เพราะว่านกมูลไถ่เนี่ยได้กลับมาอยู่ถิ่งของตัวเป็นถิ่งของพ่อเนี่ยแล้วพระเจ้าก็จัดว่าเนี่ย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 เพราะว่าเกิดความโลภไม่ได้ไม่ได้อย่างที่หวังก็เกิดโทสะนะเกิดความทุกข์มานี่ไม่ใช่พยา ม, มาณอะไรนะหมายถึงรูปว่ากินเสียงสัมผัสที่น่าพอใจที่ทําให้เกิดความกําหนัดเกิดความยินดีเกิดความโลภแล้วถิ่นของเราถิ่งของพ่อเนี่ยคืออะไรพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสติปัฏฐานสี่นั่นแหละเมื่อแต่ก็ตามที่เรานะรักษาใจนะให้อยู่ใน สติปัฏฐานสี่นะก็จะปลอดภัยปลอดภัยจากมานปลอดภัยจากกิเลสปลอดภัยจากความทุกข์เมื่อจะก็ตามที่จิตเนี่ยเรานะีมั่นคงนะดำเนินตามหลักสติปัฏฐานสี่ก็คือว่ารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะนี่พุยยนนะถ้าพูดเตด็มยก็คือกายุทธ ป, ปัศนาสติปัฏฐานเวทนาสุปัสนาสติปัฏฐาน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 มีนัดไปตรวจกลัวว่าพ่อจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ได้ชําระนึกถึงเศรษฐกิจที่ย่ําแย่การค้าตอนนี้ก็ไม่ดีแล้วอีกสี่ห้าเดือนข้างหน้านี่ก็กลัวมันจะหนักกว่านี้กลุ้มใจทีนี้หลายคนนอนไม่หลับนะคนทําธุรกิจหลายคนนอนไม่หลับเมื่อวานนี้ก็ไปไปเยี่ยมโยมคนหนึ่ง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 ไอ้รอบบ้านนี่อันตรายอยู่รอบบ้านเลยก็เหมือนกับนกมูลไถ่นะถ้าเกิดว่าออกจากถิ่นของตัวเมื่อไหรนี่ก็เสร็จเดี๋ยวเมื่อนั้นนะถิ่นของตัวคือมูลไถ่คือรอยไถอยู่ตรงนั้นแหละนะปลอดภัยสติปัฏฐานสีเนี่ยก็คือนะคือที่ทางของเราคือที่ทางที่สมควรนะเพราะว่าตรงนั้นแหละที่มันจะทําให้เรามีบ้านที่แท้จริง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 การปฏิบัติธรรมโดยเฉพาการเจริญสติเนี่ยทำความเพียรเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยนะความพอดีด้วยนะตั้งใจทาแต่ว่าวางใจแบบสบายๆนะทำเต็มที่แต่อย่าซีเรียส น, นะทำสบายๆหลวงพ่อเทมอสทำเล่นๆ น, นะทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆก็คือว่าไม่ได้ทำด้วยความอยาก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 คำนี้ก็ผูก่อชนนี้การพัก